เมตตาให้ทุกสรรพสัตว์มีหลายคนสงสัยว่าหลวงตาไปเยี่ยมโรงพยาบาลทุกวันราชการเพื่ออะไรพอฉันเช้าเสร็จท่านก็ออกเดินทางไปพร้อมกับพระเพียงหนึ่งถึงสองรูปท่านไปแผ่เมตตาให้วิญญาณทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลบางคนตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวเพราะกรรมยังไม่ชัดจึงไม่รู้จะไปทางไหนไม่เห็นทางไป หลวงตาท่านจะพิจารณาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลชี้ทางให้ไปสู่ภพต่างๆมีผู้รู้เล่าให้ทราบว่าในโรงพยาบาลมีวิญญาณอยู่มากมายที่รอคอยความช่วยเหลือจากผู้มีบุญบารมีให้หลุดพ้นจากความมืดมิดที่ไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นทางเกิดกลายเป็นผีเป็นเปรตเฝ้าวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลบางครั้งก็มาดึงแขนดึงขาคนไข้ที่นอนป่วยอยู่ คนทั่วไปไม่รู้ก็คิดว่ามาหลอกหลอนมาก่อกวนแต่แท้จริงแล้วพวกเขาต้องการบุญคนที่พอมีสัญญาเก่าพอจะเห็นและรับสัมผัสได้ก็จะทำบุญใส่บาทถือศีลอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาทั้นเทศเรื่องจิตสัมภเวสีไว้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2551ซึ่งตรงกับเรื่องที่เล่าอยู่นี้ จึงขออาราธนาเทศของท่านมาเผยแพร่ณที่นี้ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลดูสิมาจับแข้งจับขาดึงสัมภเวสีส่อแสแวงหาที่เกิดคือท้กกรรมหนักจริงๆกรรมชั่วหนักจริงๆลงปึงเลยรุนแรงขาสะ บ, บั้นไปเลยถ้าเป็นทางความดีนี้ก็ผึงดีดขึ้นเลย ถ้าเป็นสัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดไม่หนักถึงขนาดนั้นทั้งชั่วทั้งดีเขาเรียกสัมภเวสีสแสวงหาที่เกิดเรเร่อนอยู่ตามโรงพยาบาลเวลาคนไข้ไป น, นอนที่โรงพยาบาลมันมาทำทุกแบบนั่นแหละบางทีมาจับขากระตุกเอาบ้างตายแล้วมันไม่ยอมไปอยู่ในโรงพยาบาลนะ่ะเอาไปรักษาโรงพยาบาลทีแรกเป็นโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นป่าช้าขึ้นมา เวลาคนตายมันไม่หนักกรรมไม่หนักมากนักสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่ตามนั้นใกลไปก็มาขอความช่วยเหลือแต่คนว่าผีหลอกผีหลอกมันไม่ได้มาหลอกคือมาขอความช่วยเหลือมาทำแบบไหนที่จะให้เจ้าของตื่นรู้สึกตัวหรืออะไรขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็ว่าผีกวนผีหลอกอะไรเขามาขอความช่วยเหลือตั้งหากนะ่ะอย่างนั้นละ่ะเป็นก็อาศัยกัน ตายแล้วก็ต้องมาอาศัยกันอยู่อย่างนั้นโรงพยาบาลจึงเป็นทั้งป่าช้าเป็นทั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข้รักษาไม่หายก็ตายเตียงในนั้นทั้งเตียงคนไข้ทั้งเตียงคนตายอยู่ในนั้นหละสลับซับซ้อนเต็มไปหมดความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้จิตวิญญาณใดจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์เกิดตายสภเวสีที่ลงในนรกก็เยอะเป็นชั้นๆขึ้นมาไปสวรรค์พรหมโลกก็เยอะเหมือนกัน สัมภเวสีเป็นเปรตเป็นผีได้มากเวลาทำบุญให้ทานเนี่ยเขาอุทิศส่วนกุศลพวกนี้ไม่มีญาติมาขอทานเยอะนะติโรกุท ธ, ธกันทสูตรพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วน่าสงสารมากนะพวกเนี้ยเรียกว่าติโรกุท ธ, ธกันทสูตรคือมาอาศัยอยู่ตามข้างฝาข้างบ้านของเจ้าของของญาติเจ้าของ โรกุทธกันทสูตรแสดงถึงเรื่องความเสาะแสวงหาความดิ้นรนของเปรตของผีมาในบ้านในเรือนไปโรงพยาบาลไปหมดหาที่พึ่งหาที่อาศัยตายแล้วไม่มีที่พึ่งคือเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยหาแต่ความชั่วใส่ตัวเองเวลาตายลงไปแล้วไปเป็นสัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดที่อยู่ทั้งความทุกข์ร้อนทุกอย่างเต็มตัวนี่แหละจิตวิ ญ, ญญาณไม่เคยมีคําว่าตายหรือคําว่าศูนย์ ในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเป็นจิตที่ไม่เคยตายสัมภเวสีขึ้นลงขึ้นลงสัมภเวสีอย่างเนี้ยตลอดน่าสังเวชนะความเกิดความตายของสัตว์น่าสลดสังเวชมากทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาตายไปแล้วมันไม่แล้วสิจิตสัมภเวสีหาที่เกิดเพราะทุนรอนไม่มีถ้ามีทุนมีรอนมีบุญมีกุศลตายแล้วดีดผึงผู้ที่กรรมหนักหนักก็ลงผึงเหมือนกัน ลงแรงขึ้นแรงถ้าผู้ที่ไม่ถึงขนาดนั้นสิพวกกวนบ้านกวนเมืองอยู่ตามโรงพยาบาลเต็มไปหมดนั่นหละแต่เขาไม่ได้ว่านะคือเขาไม่รู้เขาก็ว่าแต่ผีมาหลอกบ้างอะไรบ้างมาขอความช่วยเหลือไม่ได้มาหลอกมาหลอนอะไรมาขอความช่วยเหลือเพราะอย่างนั้นใครจึงอย่าประมาทจิตดวงเนี้ยไม่มีคาว่าตายคาว่าศูนย์ไม่มีมีแต่เกิดกับตาย และสัมภเวสีหาที่เกิดให้เหมาะสมกับกรรมของตนเพราะทุกคนมีกรรมทุกคนและเกิดในที่ต่างๆกันน่าสลดสังเวชการเกิดการตายของสัตว์โลกเป็นทุกแบบทุกฉบับป่วยหนักไม่หายก็ไปเท่านั้นละ่ะเรื่องตายเป็นอย่างนั้นละ่ะหลวงตาเทศไว้เมื่อ24พฤศจิกายนพุทธศักราช2551 หลวงตาท่านมักไต่ถามหมอตามโรงพยาบาลด้วยความเมตตาถึงเรื่องการดําเนินงานดูแลคนไข้ว่าอาหารการกินเป็นอย่างไรเงื่อประมาณค่าอาหารวันละเดือนละเท่าไหร่และมอบเงินให้โรงพยาบาลคราวละสอง0 0ื่บาทพร้อมทั้งขนข้าวของที่จําเป็นไปให้ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลท่านมีตารางการเดินทางทุกวันและได้ให้ผู้ติดตามจัดสิ่งของที่ท่านได้พิจารณาเพื่อแผ่เมตตาให้วิ ญ, ญญาณทั้งหลายทุกครั้ง แม้แต่การเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยเป็นอันตรายคร่าชีวิตคนไปแล้วหลายคนหลวงตาก็เมตตาให้หยุดรถทุกครั้งและให้คนรถเอากระโถนน้ำหมากของท่านไปเทตามจุดที่เป็นอันตรายด้วยความเมตตาของท่านต่อวิญญาณทั้งหลายณบริเวณนั้นไม่มีการพูดหรือถามไถ่ท่านจากผู้ติด ต, ตามแต่ทุกคนรู้อย่างเต็มอกว่านี่คือความเมตตาอุทิศให้สิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น วิญญาณที่หาทางไปไหนไม่ได้และยังวนเวียนอยู่ในที่นั้นๆในบางโอกาสหลงตาไปไกลถึงเขาใหญ่ใช้เวลาไปกลับรวม11อชั่วโมงด้วยอายุที่มากขึ้นทุกวันความร่วงโรยของาธาตุขันของท่านจึงมากขึ้นแต่ท่านกล่าวกับผมว่าจิตของเราสว่างสวัยเต็มหมดมีแต่สังขารนี่แหละที่ล้มไปกับหมดแล้ว